พิธามะปิโดธรรมานุโลมปัจจนนยะเตะกระตตะกระปาทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งกุศลตตกะหนึ่งเวทนาตตกะหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปะยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนพยากริซึ่งสัมปะยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอรมณะปัจจัยมีก้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิาวาระปัจจนียะ นั <necessary. S 2> เหตุปัจจัยและนัอารรมณปัจจัย 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ ส, สัมปะยุ้วยสุขเวทนาอา ศ, ศัยสภาวธรรมที่เป็นนพยากฤตซึ่ง ส, ส, ส, ส, ส, ส, สัมปยุทธยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยมีสามวาระ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปะยุ้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนัธรรมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปะยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปะยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนอาอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนอาอรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนา <mister ius> อาศัยสภาวธรรมที <Wow>. ่เ <No>. ป็นอกุศลซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤตซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้นพราะนอารรมณปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นพราะนอารรมณปัจจัยมีสามวาระย่อ 4. นเหตุปัจจัยมีสามวาระนะอารรมณปัจจัยมี9้าวาระนอธิปติปัจจัยมีสิบสาวาระละถึง นภุเรชาตะปัจจัยมี13าวาระละถึงณชานะปัจจัยมีสามวาระนมะคะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9้าวาระย่ออารามณปัจจัยนั่นเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสหชาตะวาระปัจยาวาระนิสียาวาระ สังสัชวาระและสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 5. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมยุญด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี13าวาระอรมาณะปัจจัยมี18วาระอธิ ป, ธปติปัจจัยมี17วาระอนันตระปัจจัยมี9้าวาระละถึง ชาตะปัจจัยมีสิบสาวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสิบแปดวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระกรรมะปัจจัยมีสิบสามวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระอหาราปัจจัยมีสิบสามวาระละถึงมัคคะปัจจัยมีสิบสามวาระสัมยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระ วิปยุตตะปัจจ um oh ัยมีฆ่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระพึ่งขยายปัญหาวาระให้พิสดารอกุศลบทเหตุปัจจัย 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอากุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอากุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุดด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยย่อเหตุุปปัจจัยมีห้าวาระปารมณ์ปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึง สหชาติปัจจัยมี8วาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสมวาระละถึงชาณปัจจัยมีหวาระมัคคะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี8ดวาระอภพยากะตะบทปัจจนิยะเสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมยุญด้วยทุกขเวทนา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 เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจใจย่อนันเหตุปัจใจมีสามวาระนอารรมณะปัจใจมีสามวาระนัอธิปติปัจใจมี8วาระและถึงนัปเรชาตะปัจใจมีหวาระละถึงนวิปากะปัจใจมีห้าวาระนัจานปัจใจมีสามวาระนมขคาปัจใจมีสมวาระนสัมปยุตตาปัจใจมีสมวาระโนนัธิปัจใจมีสามวาระ นวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึ่งขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดาร 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขโวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาหนึ่งกุศลติกะสองวิปากติกะ 9. กสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิปากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นวิปากเกิดขึืนพระเหตุุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย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 และเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพรโโโโโาะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระสห AH ชาติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 13. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมิเชแกกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศล <pieces S 2> มีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานมีสามวาระเหมือนกัน อารมณะปัจจัยมี9วาระอนันตระปัจจัยมีสิบเอดวาระและถึงอุปาเนสยปัจจัยมี15า้ะะว า, า ว, ว, า, รว า, ราระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระการมปัจจัยมีหวาระอหาราปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสิบสี่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 อาสายสภาวธรรมที่เป็นนพยากฤิซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นหนัพยากฤิซึ่งมิใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นหนัพยากฤิซึ่งกิเลสไม่ทําไม่เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นหนักกุศลและที่ไม่เป็นหนัพยากฤิซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นหนัพยากฤิ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 อาศัวิะปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีหกวาระ 16. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุลก Lloyd, ศลซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามอง และไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงวิปากปปจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปจจัยมีหกวาระหนึ่งกุศลตถรเกห้วิตตกเ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจาร์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจั ย, ย<อ> ม, มี13าวาระอรมณะปัจจัยมี9วาระและถึงวิปากรปัจจัยมีสวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี13าวาระและถึงสภาวะธรรมที่เป็นกุศลมีหวาระ และถึงสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นอพระเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปจารยมีสิบสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึง วิคตะปัจใจมีสิบสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยมีสามวาระย่อ เหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุศลติกะหปีติติกะสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อ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 ละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรฆดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรฆดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมาณะปัจใจมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระหนึ่งกุศลติกะเจ็ดทัศนติกะสิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักกดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ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 อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปั จ, จมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 1. อุสลาตึกะ 8. ทัศนะเหตุตึกะยี่สสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก อาศัยสภาวธรรมที uh ่เ huh. ป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยย่อเหตุถูกปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหาร ด, ด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีส oui. so <ese> มามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งปุชละติกะ ๙อาจยะคาไมติกละ๒๑สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพา น, น BRUN, เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากริจซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพาน เกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งกุชลติกะสิบเสคขาถึกะยีสะ่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเจคขบุคคลอาจายัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นของเจคขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีมูลสองเหตุปัจจัยมีหกวาระ อธทิตติปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากาปจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งเป็นของอาศขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอาทิตติปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอายตวณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งุสลัดตึกะสิบเอดปริตตตึกะยี่สิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาร ะ, ะ, า ะ, ะ, จจาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นมหาคตะ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุสลติกะสิสองปริตารมณะติกะยี่สิบสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมหคัตตะเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้า ว, วาระอธิปติปัจจัยมีเก้า ว, วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้า ว, วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมี อ, อัปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึปป้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึง วิปากะปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีหกวาระหนึ่งกุศลติกะสิบสามหินเถกะยี่สิบห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุก ป, ปัจใจ ย, ย่อเหตุ ป, ปั จ, จัยมีสามวาระอธิปฏิปัจใจมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งเป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณะปัจจัยมีหกวาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นปรานีอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นปราณีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุศลติกกะสิบมิจฉัตานิยตะตะดึกะยี่สิห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 อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอนพยากฤิซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอนพยากฤิซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคัตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งอุสลติกะสิบห้ามัคคารมณะติกะยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมักเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึง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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุสลติกะสิบหอุปนนติกะยี่สิบปดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นโดยรมณะปัจจัยยอ่อ รมณะปัจใจมีสิบแปดวาระอธิปติปัจใจมีสามวาระและถึงอุปนิสสียปัจใจมีสิบแปดวาระสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกับสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหนึ่งกุศลตะกะสิบเจ็ดอติตะตกะยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอดีตเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอดีตโดยรมณปั จ, จัย ย่ออารมณะปัจจัยมีสิบแปดวาระอาทิปติปัจจัยมีสิบเอดวาระอนันตระปัจจัยมีสิบหกวาระสมนันตระปัจจัยมีสิบหกวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสิบปดวาระนัตติปัจจัยมีสิบหกวาระวิคตะปัจจัยมีสิบหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นอดีตหนึ่งกุสลตถกะสิบปดอตีตารมณตเกะ Blue 30. สาสภาวธรรมที่ไม่เป็นก pues ุศลซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ uh ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญญาปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มียนาพุธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมียนาพุธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเมียกลาวาระอธิปปติปัจจัยมียกลาวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียกลาวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น เ, นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระหนึ่งกุสลติกะ 19- ถึงยี่สิบอชตตติกะทวยะสาสเอ สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นกุศลโดยระมณะปัจจัยย่ออารมณะปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมี18บวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอัถิปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยย่ออรมณปัจจัยมีสิวาระอธิปติปัจจัยมีสิบ้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสิวาระปเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาหารปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ สษาสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวราระละถึงปัญญามัญญปัจจัยมีสามวราระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวราระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวราระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิ ป, ปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัตจจัยมีเ้าวาระ หนึ่งกุศละติกะยี่สิบเอ็ดสนิทัสนะติกะสาสิบสาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตซึ่งเห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้โดยรรมณะปัจจัยพึงทำให้ปรากฏทั้งสามวาระธรรมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอุปานเนสิยาปัจจัยมีหกวาระ ปเรชาตปัจจัยมีหกวาระอธิปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระส4สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตธ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 เหตุปัจจัยมีสิห้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปาสปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิห้าวาระ